กิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจทั้งนั้นพวกเราจะไปเสือกไปหาศึกษาไปสายไหนอีกถ้าอยากจะเสือกเออออกไปอย่าไปอยู่มาอยู่ที่วัดของเราฟังไว้นะให้ฟังไว้ให้ถึงใจหลวงพ่อเตือนนะหลวงพ่อเตือนเตือนให้ฟังเพราะบางครั้งก็ได้ยินออกมาพอได้ยินออกมาหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็เฉยเฉยนะ